มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนดากะปัญหานาวามะวะักนิพพานปัญหาที่ห้าถามว่า จะแสดงนิพพานให้โลกทั้งปวงเห็นโดยรูปและสันฐานเป็นต้นได้หรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอุปะทัสเสตุงถ้าพระผู้เป็นเจ้าอาจแสดงให้โลกทั้งปวงเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานนี้รูปเณนะว่าโดยรูปก็ดีสันธานเณนะว่าโดยสันานก็ดี อ ว, ว, วัยเวนวาโดยอวัยวะใหญ่ก็ดีประมาเนนวาโดยประมาณก็ดีอุปเมณวาโดยอุปมาก็ดีการะเนนวาโดยเหตุก็ดีเหตุนาวาโดยปัจจัยก็ดีณนะเยนวาโดยในก็ดีจงเปรียบจงอุปมาซึ่งพระนิพพานให้เห็นแจ้งในการบัดนี้ พระนาคเษนจริงถวายพระพรว่ามหาราชาขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมาภารนิพพานนางนาสา ก, กาอัตมาไม่อาจจะแสดงพระนิพพานให้เห็นโดยรูปสันธานอาวัยวะและประมาณและอุปมาเหตุปัจจัยและหนได้เหตุว่าพระนิพพานไม่มีตัวไม่มีเหตุปัจจัย สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาโยมยังไม่รับวาจาของผู้เป็นเจ้าที่ผู้เป็นเจ้าว่าพระนิพพานไม่มีเนื้อไม่มีตัวไม่มีเหตุปัจจัยนั้นเป็นเหตุประการใดนิมนต์วิสัญนาให้แจ้งก่อนพระนาคเซนจิงถวายพระพรว่าถ้ากระนั้น มหาบาพิตรจงรู้โดยเหตุอันนี้มหาราชาดุรานะบพิตรพระราชสมภารผู้ประเสริฐคำโลกเรียกว่ามหาสมุทมนั้นมหาสมุทมีจริงหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชามหาสมุทมีจริง พระนาค เ, เสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารสจเจถ้าแลเขาจะถามว่ามหาสมุทรนั้นกว้างขวางโตใหญ่ยาวรีเท่าไรอุทกังและปลามากน้อยเท่าไรให้ว่ามาเอวังปุโถโธเมื่อเขาถามดังนี้มหาบพิษจะแก้ไขได้หรือไม่ สมเด็จพระเจ้าวิริลภูมินทราธิบดีมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเมื่อเขาถามดังนั้นโยมก็จะห้ามว่าอัมโพปุลิสะดูรานะบุรุษผู้เจริญท่านอย่าได้ถามปัญหานี้เป็นถปัญยะปัญหาไม่ควรถาม คือใครจะประมาณพระมหาสมุทรได้ใครจะประมาณน้ําในมหาสมุทรและปลาในมหาสมุทรได้ว่าเท่านั้นเท่านี้พระนาคเซนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาสมุทรนี้มีในธรรมสมเด็จพระสัพพัน ญ, ญูบรมครูเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวา้ ฉชไหนมหาบาพิษจึงไม่แก้ปัญหาซึ่งเขาถามนั้นเล่าควรที่พระองค์จะแก้ไขโดยแท้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าโยมิอาจจะแก้ปัญหาชีวา่ามหาสมุทกว้างใหญ่และอุทธกังในมหาสมุทและปลาใหญ่น้อยว่าร้อยหรือพันหรือแสนได้ปัญหานี้ สุดวิสัยที่ยมจะวิสัชนาะพระนาคเษนมีเถระวาจาว่าความนี้ฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิพระราชสมพานพระนิพพานนี้มีในพระสัทธรรมเทศนาสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าโปรดไว้ก็จริงแต่อาตมามิอาจวิสัชนาว่าได้โดยรูปสันฐานประมาณว่าน้อยใหญ่ และอุปมาเปรียบเทียบว่าเหตุว่าปัจจัยได้ก็สุดวิสัยที่จะแก้ไขมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารถึงว่าท่านผู้มีฤทธิ์ชาณวะสีชำนานชาญก็ดีมีสติปัญญาอาจสามารถจะประมาณอุทกกังและปลาในมหาสมุทรได้ท่านผู้นั้นก็มิอาจสำแดงพระนิพพานว่า พระนิพพานมีรูปทรงสันฐานเท่านั้นเท่านี้ได้อันหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระองค์ทรงทราบ พ, พระญาณอยู่บ้างหรือว่าเทวดาผู้หนึ่งชื่อว่าอรูปกายิกาเทวดาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสน โยมได้ยินอยู่พระนาคเษศมีเทระวาจาว่าถ้าฉะนั้นมหาบพิษจงว่าให้เห็นโดยรูปโดยสันฐานโดยประมาณโดยอุ ป, ปมาแล้วว่าโดยเหตุโดยปัจจัยจะได้หรือไม่ได้เล่าบอพิดสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษศผู้ปรีชา เท ว, วดานั้นไม่มีเนื้อไม่มีตัวโยมจะเอาอะไรมาว่าได้พระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาบาพิษชี้ตัวอรูปกายิกาเท ว, วดาไม่ได้กระนั้นอรูปกายิกาเท ว, วดานั้นหามีไม่นั้นสิพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโอค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอรูปกายิกาเทวดานั้นมีอยู่แต่ทว่าไม่มีเนื้อไม่มีตัวโยมจึงมิอาจว่าได้โดยรูปสันฐานประมาณเหตุปัจจัยพระนาคเสนจึงมีเทระวาจาว่าฉันใดก็ดีมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร พระนิพพานนี้ก็ไม่มีเนื้อไม่มีตัวเหมือนกันกันกบอรูปกายยิกาเทวดาสุดที่จะวิสัชนาได้แต่พระนิพพานมีอยู่จริงนะบกพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาผู้เป็นเจ้าสำแดงรูปและสันฐานประมาณ และอุปมาเหตุปัจจัยแห่งพระทิพพานไม่ได้แล้วนิมนต์วิสันาแต่คุณพระนิพพานโดยเอกเทศให้โยมฟังหน่อยเถิดบัดนี้ดวงหาฤทัยโยมนี้ร้อนดุดกองเพลิงอันใหญ่ลมพายุพัดไม่ไปชั้นใดก็ดีดวงหาฤทัยโยมนี้ร้อนนักหนาด้วยปรารถนา จ, จะสวนาการฟังซึ่งคุณแห่งพระนิพพาน ก็หาได้ฟังไม่โยมจึงมีฮาลุทัยร้อนนักหนาในการบัดนี้พระนาคเกษนมีเทระวาจาวา่ามหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารอันว่าคุณแห่งปฐุมชาติประการหนึ่งก็เปรียบเข้ากับคุณแห่งพระนิพพานอันว่าคุณแห่งอุทกะวารีมีสองประการก็เปรียบเข้ากับคุณแห่งพระนิพพานอคทะทศ ตโยคุณาอันว่าคุณแห่งยาดับพิษงูมีสามประการและคุณแห่งมหาสมุทรมีสี่ประการคุณแห่งโพชะมีห้าประการคุณแห่งอากาศมีสิบประการคุณแห่งแก้วมณีมีสามประการคุณแห่งจันแดงมีสองประการคุณแห่งสับปีข้นมีสามประการ คุณแห่งยอดเขามีห้าประการอิเมคุนาอันว่าคุณทั้งปวงนี้ควรจะเปรียบเข้าในคุณแห่งพระนิพพานทั้งสิ้นทั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งปธุมชาติอันหนึ่งนั้นประการใดจึงเปรียบเทียบกับคุณพระนิพพานได้ พระนาคเสสเจิงแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารอันว่าคุณแห่งปฐุมชาตินั้นอุทะกังจะได้แทรกซึมติดเข้าอยู่หามิได้ฉันใดก็ดีพระนิพพานจะได้มีกิเลสคล่องทราบซึมอยู่หามิได้ดุดดอกปฐุมชาตินั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่า พันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอันว่าอุทกังมีคุณสองประการนั้นอย่างไรพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารอันว่าอุทกังนั้นเย็นจะดับเสียซึ่งความร้อนกระวนกระวายนั้นฉันใดพระนิพพานนั้นก็ดับเสียซึ่งกิเลสเหมือนอุทกังนั้นประการหนึ่ง อุทกังนั้นสีตะลังเย็นเป็นที่ล้างเสียซึ่งมนทถิ่นห้ามเสียซึ่งความคละหายน้ำฉันใดก็ดีพระนิพพานล้างเสียซึ่งมนทินคือกิเลสห้ามเสียซึ่งความปรารถนาที่จะอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปประพบอรูปประพบดุดอุทกังอันล้างซึ่งมนทถิ่นห้ามเสียซึ่งความอยากน้ำฉันนั้น สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชโอ่งการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งยาดับพิษงูสามประการนั้นอย่างไรพระนาคเสนจึงแก้ไขว่าคุณแห่งยาดับพิษงูสามประการนั้นคือเมื่ออาศรพิษขบคนเข้าจึงเอายาดับพิษกินเข้าไปให้หายพิษ เป็นที่พึ่งได้ประการหนึ่งชั้นใดก็ดีพันธิพานนี้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายอันกิเลสเบียดเบียนก็ดับให้กิเลสสูญหายเหมือนยาดับพิษงูนั้นจัดเป็นคุณยางูเป็นประถมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่าอันว่ายาดับพิษงูนั้นกระทําให้สัตว์ทั้งหลาย อันงูขบกัดให้หายคลายโรคสิ้นสุดฉันใดพระนิพพานก็กระทําให้สิ้นที่สุดทุกขแห่งสัตว์ทั้งหลายดุดยางูอันดับพิษให้สิ้นสุดนั้นจัดเป็นคุณแห่งยางูประการที่สองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอักขะถังอันว่ายาดับพิษงูนั้น รักษาซึ่งสัตว์ทั้งหลายอันงูร้ายขบไว้ไม่ให้ตายด้วยพิษงูได้ยะถามีขารุวนาฉันใดเอวังนิพานังอมตงพระนิพพานนั้นก็รักษาซึ่งบุคคลอันได้พระนิพพานไว้ไม่ให้ตายดุดยางูนั้นสิริเป็นคุณยางูสามประการยุติเท่านี้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีจึงมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งมหาสมุทรมีสี่ประการนั้นประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าคุณแห่งมหาสมุทรเป็นปฐมนั้นคือมหาสมุทรบริสุทธ จะได้มีซากศพล่องลอยอยู่หาไม่ได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระนิพพานก็บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสติดอยู่เหมือนมหาสมุทรอันบริสุทธิ์จากซากศพนั้นจัดเป็นคุณแห่งมหาสมุทรเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาสมุทรนั้นใหญ่นักหนา ถึงมาดว่าคงคาห้าห่วงจะไหลล่วงลงมาสักเท่าใดเท่าใดก็ไม่เต็มมีฝั่งฝากโพนมิได้เห็นปรากฏแกในตายะถามีครุวนาฉันใดอันว่าพระนิพานนี้มหันตังกว้างใหญ่อะโนปารังจะได้มีฝั่งฟากโพนเห็นปรากฏหามิได้ถึงฝูงสัตว์จะไปอยู่ในพระนิพานสีวาลายัยสัตว์เท่าใด ณปูเรติก็ไม่ได้รู้เต็มดุดมหาสมุทรอันใหญ่นั้นอายังคุณโน อ, อันว่าคุณแห่งมหาสมุทนี้ทุติโยเป็นคำรบสองปูณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอายังมหาสมุทโธอันว่ามหาสมุทรอันใหญ่นี้อาวาโสเป็นที่อยู่ มหันตานังแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากยถามีครุวนาฉันใดนิพานังอันว่าพระนิพพานอาวาโสเป็นที่อยู่สุขสัาราณขีนาสวานังแห่งพระขีนาศพเจ้าทั้งหลายอันมีวสีเอวังเมะตถามีอุปมาเหมือนดังนั้นอายังคุโน อ, อันว่าคุณแห่งมหาสมุทรนี้ ตติโยเป็นคำรบสามปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารมหาสมุทโธอันว่ามหาสมุทอันใหญ่ย่อมจานเจือไปด้วยชาติบุภผาละดาดอกไม้มีกลิ่นหอมบริสุทธิ์มีประการเป็นอเนกนานายะถามีครุวนาฉันใด นิพพานังอันว่าพระนิพพานก็เจือไปด้วยดอกไม้มีเสา ว, ว่าคนทชาติอันหอมบริสุทธ์กล่าวคือพระวิมุตติธรรมอันไพ่บูรบริสุทธ์มีประการต่างๆทรงพระบวรคุณจะนับไม่ได้เอวังเมะตถ า, ามีอุปมาดุดพระมหาสมุทตอันเจือไปด้วยสุมาลัยอันบริสุทธนั้นอะยังคุโน อันว่าคุณแห่งพระมหาสมุทรนี้จะตุโธเป็นคำรบสีรเปรียบด้วยคุณแห่งพระนิพพานสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งโภชนาหารมีอยู่ห้าประการนั้นฉันใดเล่าพระนาคเษนเจ้าจึงวิสัชนาว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบอภิษพระราชสมผานอันว่าคุณแห่งภูชนาหารห้าประการนั้นอายุวัฒนังคือเลี้ยงไว้ซึ่งอายุสัตว์ให้วัฒนาการจำเริญไปประการหนึ่งพะละวัฒนังคือให้จำเริญกำลังแรงแห่งสัตว์ทั้งหลายประการหนึ่งวั น, นะชนะนังคือให้เกิดสีสันพันละประการหนึ่งทารถาวูปสมานางัง คือดับเสียซึ่งความกระวนกระวายประการหนึ่งชิคัติฉาทุพภะปฏิวินโนทนังคือบรรเทาเสียซึ่งความอยากข้าวประการหนึ่งเิริเป็นคุณห้าประการด้วยกันยถามีครุวนาฉันใดก็ดีอันว่าพระนิพพานนี้สัตว์จําพวกใดกระทําให้แจ้งก็ทรงสัตว์นั้นเลี้ยงสัตว์นั้นไว้มิให้ฉิบหายด้วยชาราและมรณะ คือไม่ให้แก่ไม่ให้ตายนั้นประการหนึ่งอิทธิพะวัฒนังจะให้จำเริญบริพน์ผลประการหนึ่งสีละวั น, นะชะนะนังเพื่อจะให้เกิดวันนะกล่าวคือศีลประการหนึ่งซับภาคกิเลสทรถวาป p w a านังคือจะระงับดับเสียซึ่งกระบวนการวายคือกิเลสทั้งหลายประการหนึ่งจะบรรเทาเสียซึ่งความอยากขิวโหวยคือกองทุกทั้งสิ้นประการหนึ่ง สิริเป็นคุณห้าประการมีครุวนาดุดภชนะหานอันมีคุณห้าประการนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินราธิปดีจึงมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาอันว่าคุณอากาศสิประการนั้นคือประการใดบ้างพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราช ขอถวายพระพรบอภิษพระราชสมพนธ์อันว่าคุณอากาศสิประการนั้นณนะชีติคือไม่รู้แก่ประการหนึ่งณนะมียติคือไม่รู้ตายประการหนึ่งณเนะจวติไม่รู้จุติประการหนึ่งณนะอุปัชติมิได้เวียนเกิดอีกประการหนึ่งอุปสัยหังหาผู้จะข่มเหงมิได้ประการหนึ่งอาโจระคหนียัง หาโจรจะฉกลักช่วงชิงไม่ได้ประการหนึ่งอา น, นิสิตังไม่มีที่อาศัยประการหนึ่งวิหังฆะฆมนังจะไปได้แต่นกและคนมีฤทธิ์และเทวดาและยักษ์มีฤทธิ์ประการหนึ่งนิราวะระนังหาสิ่งจะ ก, กั้นไม่ได้ประการหนึ่งอันนานตังกว้างยาวหาที่สุดไม่ได้ประการหนึ่งสิริเป็นคุณสิบประการนี้ยะถามีครุวนาชันใด นิพพานังอันว่าพระนิพพานนี้ก็ประกอบด้วยคุณสิบประการณนะชียติคือไม่รู้แก่ประการหนึ่งณนะมียติไม่รู้ตายประการหนึ่งณเนะจวติไม่รู้จุติประการหนึ่งณนะอุปัชติมิได้เวียนเกิดประการหนึ่งอัปปัยหังหาผู้จะคมเห็นมิได้ประการหนึ่งอาโจรคหะนียัง หาโจรจะปล้นชิงฉกลักไม่ได้ประการหนึ่งอานิสิตังหากิเลสอาศัยไม่ได้ประการหนึ่งอริยะคมันังเป็นที่ไปแห่งพระอริยะเจ้าประการหนึ่งนิราวะระนังหาสิ่งจะกั้นไม่ได้ประการหนึ่งอา น, นันตังหาที่สุดไม่ได้ประการหนึ่งเปรียบเหมือนอากาศฉะนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอรสการตรัสถามว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งมณีรัตนสามประการนั้นดังหรือเล่าพระนาคเษนวิสุทธิอรหันต์เจ้าวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมณีรัตนะังอันว่าคุณแห่งแก้วมณีสามประการนั้นหรือคือแก้วมณีให้สำเร็จความปรารถนาประการหนึ่งคือกระทําให้ยินดีประการหนึ่ง คือกระทําให้ปลื้มใจประการหนึ่งซิริเป็นคุณสามประการชนียะถามีครุวนาฉันใดอันว่าพระนิพพานนี้ก็ให้สาเร็จความปรารถนาประการหนึ่งกระทําให้ชื่นใจประการหนึ่งอุโชติตุทะการังกระทําให้ปลื้มใจรุ่งเรืองขึ้นประการหนึ่งมีอุปมาเหมือนดังแก้วมณีนั้น สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณจันแดงสามประการนั้นอย่างไรเล่าพระนาคเสนเจ้าจึงแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารโลหิตะจันทนังชื่อว่าจันแดงมีคุณสามประการนั้นคือทุลพัน จะหาได้เป็นอันยากประการหนึ่งอสมังสุขันธงมีกลิ่นหอมหาที่จะเปรียบไม่ได้ประการหนึ่งสัพพะชนะปัสสัทธังอันคนทั้งสิ้นหากสรรเสริญประการหนึ่งสิริเป็นคุณจันแดงสามประการเท่านี้ยะถามีครุวนาฉันใดพระนิพพานิสัยทุลภตรังกว่าจะได้นี้ยากนัก ประการหนึ่งอสมังสุขันธงมีกลิ่นหอมหาที่จะเปรียบไม่ได้ประการหนึ่งอริยะปรสสัทถังเป็นที่พระอริยะเจ้าสรรเสริญประการหนึ่งสิริเป็นคุณสามประการเหมือนหนึ่งจันแดงนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา อันว่าคุณสัปปีข้นสามประการนั้นอย่างไรคือประการใดบ้างพระนากเกษนแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าคุณสามประการแห่งสับปีข้นนั้นหรือคือสัปปีข้นมีสีอัน ง, งามประการหนึ่งมีรสอันเลิศประการหนึ่งประกอบด้วยกลิ่นสาวัคนอันหอมประการหนึ่ง สิริคุณสัปปีข้นสามประการเท่านี้ยะถามีคุรุวนาชันใดพระนิพานประกอบไปด้วยวันนะคืออนันตคุณประการหนึ่งประกอบด้วยรถคืออมะตะประการหนึ่งประกอบด้วยกลิ่นคือศีลประการหนึ่งสิริเป็นสามเหมือนคุณแห่งสัปปีข้นนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิปดีจึงมีพระราชาองค์การถามว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งยอดขีรีมีห้าประการนั้นฉันใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารอันว่าคุณยอดขีรีห้าประการนั้นหรือคือยอดขีรีนั้นสูงประการหนึ่งคือยอดขีรีนั้น มิได้รู้วันไหวประการหนึ่งคือยอดคีรีนั้นหาพืชจะงอกมิได้ประการหนึ่งอนุนัยปฏิคะวิปยุตตังคือยอดคีรีนั้นปราสาจากความรักความชังประการหนึ่งยอดคีรีมีคุณห้าประการชนิยัถามีขรุวนาฉันใดพระนิพพานนั้นใส่ก็มีคุณห้าประการเหมือนกัน คือสูงประการหนึ่งไม่ได้วันไวประการหนึ่งบุคคลจะได้โดยยากประการหนึ่งกิเลสทั้งหลายงอกขึ้นไม่ได้ประการหนึ่งปราศ จ, จากความรักและชังประการหนึ่งสิริเป็นคุณห้าประการเปรียบดุจจอมเคียรีนั้นบ่อพิษผู้ทรงธรรมมิ ก, ก ร, ราชจงทราบในคุณพระนิพพานก็มีในการบัดนี้ สมเด็จพระเจ้าวิรินภูมินธราธิบดีมีพระราชโองคงการตรัสว่าสาธุพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสำปฏิชามิโยมจะรับคำไว้พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้ภัยร้อหนักหนานิพพานปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้